กางทำกันตอนเช้าเนาะหลังจากการทำบัตรจบเพื่อให้เป็นส่วนประกบ ก, บกับการศึกษาปฏิบัติธรรมที่เรากำลังทำอยู่เฉพาะเรื่องก็อให้รู้ให้เข้าใจให้เกิดความรู้แจง้ง ยังไม่รู้จึงใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรแต่ถามท่านผู้รู้ธรรมดาชีวิตของเราน่่ใช่น้งองอะไรครับครับแชบแคบเฉพาะเนื้อเฉพาะตาปฏิวัติตามและกการต่างๆที่เกิดขึ้น มันหลงก็หลงร่อยไปแทนที่จะศึกษามันโกรธก็โกรธร่อยไปแทนที่จะศึกษาให้มันรู้มันทุกขก็ทุกข์ร่อยไปดังนี้ถือว่าไม่ใช่ที่หน้าที่ของมนุษย์เป็นหน้าที่ของคนต้าไม่ศึกษาเน่ยเป็นเรื่องของคนก็ศึกษาเป็นเรื่องของมนุษย์ มันไปทางต่ำๆมนุษย์ไปทางสูงๆมันหลงสูงกว่าหลงยังไม่อยู่ก็หลงหลงไปเลยมันก็ต่ำไปเรื่อยๆเกิดเกิดความโกรธความทุกความลักความชังความวิตกกังวลเศร้าหมอง เราพอศึกษากรรมฐานนี่มาเจะรูก้แก้งการศึกษาเรื่องนี้ไม่ได้มอบหมาย ใ, ใครที่ใดเป็นหน้าที่ของชีวิตของมนุษย์แล้วก็มาพูดถู่กันฟังใครก็พูดได้สอนได้ปฏิบัติได้ในเรื่องของชีวิตของคนเนี่ ไม่ใช่เรื่องของวันอื่นเรามีกายมีใจเรามีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในกายมีใจเราปัญหาก็อยู่ที่นี่เจ่บปัญหาก็อยู่ที่นี่หมดปัญหาก็อยู่ที่นี่มามีสติ ดูกายดยใจของตนเริ่มต้นจะ ก, การเคลื่อนไหวดังที่เรากำลังศึกษาอยู่เจตนาให้รู้ถ้าไม่รู้มันจะหลงเป็นเจ้าเรือนถ้ารู้ความรู้สึกตัวเป็นเจ้าเรือนหัดคลองตนมองตนตื่นตนแก้ไขตนรู้ งานเข้าก็จะเห็นรูปเห็นพบเห็นรูปเห็นนามถ้าเห็นรูปเห็นนามแล้วช่วยตเองเป็นถ้ายังไม่เห็นรูปเห็นนามช่วยตัเองไม่เป็นใครที่ทุกข์ที่โกรธที่โลภที่หลงที่ลักที่ชังในใจเสียใจคุมรอยคุมดีผูภูแบบ่แพรไม่คนนั้นไม่เห็นรูปเห็นนาม เ ป, ยเปียนตนเองเปลี่ยนคนอื่นคนนั้นมาเห็นรูปเห็นนามบางทีก็ธรรมชาติมาช่วยจึงอยู่รอดบางทีธรรมชาติมาช่วยก็อยู่ไม่ค่อยรอดเกิดปัญหาหลายอย่างเอาพอูปนามเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างทำดีได้ทำชั่วด้วย ถ้าเป็นกายเป็นใจทำดีได้ทำชั่วได้ถ้าไม่เห็นถ้าเห็นแล้วทำชั่วไม่ได้ทำดีได้ได้ช่วยได้สาเร็จทำดีได้สาเร็จแั้วก็เป็นเรื่องที่ให้ผลเป็นปจัจจตัง ทำไมจะทำไมได้เพราะรูปมันอยู่ที่นี่น้ำนอยู่ที่นี่จะไม่ใช่รูปทําความชั่วจะใช่รูปทําความดีจะใช่น้ำทําความดีจะไม่ใช่น้ำทําความชั่วเนี่ยมันก็อยู่กับตัวนี้อยู่กับเราทุกเวลานาทีและลูกกับน้ำก็ไปด้วยกันเนี่ยแต่คิด ถ้าไปมีรูปก็ไม่รู้จกคิดถ้ามีมีนามก็ไม่รู้ไม่รู้จคิดที่มันทำดีทำชั่วเพราะมันมีรูปมีนามก็ไปมาเป็นเดียวกันถ้ามีสติถ้ามีมีสติรูปนามเป็นคนละอย่างบางทีก็อ่า ทำให้ทุกข์ให้เดือดร้อนเจอตัวเองได้คนอื่นพอเรามาเห็นรูปเห็นนามมีสติเห็นแล้วก็ไม่ได้มีการกระทำราะใช่มันเลยเส่ไใ้ทุกโอกาดนอกจากเห็นรูปเห็นนามที่เป็นหลักฐานจริงๆแล้วก็เห็นส่วนประกอบ พี่เกี่ยวข้องกับส่วนกรกอบถูกเหมือนกับการศาึกษาเรื่องแพทย์เรื่องพยาบาลเรื่องหมอเรื่องยยกต้ืองอยาการรักษาการรักษาได้การรักษาไม่ได้เค่องโกดรักษาได้คเครืองแกที่เป็นของกายของเก็บเพิ่ม ตายเนีไม่เป็นเรื่องของกายเป็นกายเป็นใจอันกายอันใจยังไม่ใช่ของเราจะไม่ใช่อยู่ในกำมือเราถ้าเราเห็นเป็นรูปเป็นนามมันอยู่ในกำมือเราไม่ต้องเกี่ยต้องเก็บพงตายเหมือนกายเหมือนใจอันใจมันมีนานาจิตตั้งพอเห็นนามมันเป็นอันเดียวกันพอเห็นกายก็เป็นต่างกัน กรรมกันกรรมจําแนกไปกรรมดีกรรมชั่วแต่กรรมนั้นก็ช่วยบางทีก็ช่วยคอช่วยใจมันก็เป็นธรรมชาติก็มีเช่มนา ม, าามาหนาวห่อผ้าหอมเตียงไฟทำร้อนกอาบน้ําอันหิวก็จิ้นข้าวอันนี่เป็นธรรมชาติ ของสัตว์หลบภัยเป็นกินอาหารเป็นจะเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วปัญหาหน่อยลงไม่แบ่งเป็นส่วนเฉพาะรูปเฉพาะนามอะไรที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามรูปแล้วจบแล้วผ่านได้แล้วอันนี้เป็นรูป อันนี้เป็นอาการอันนี้เป็นธรรมชาติเกี่ยวข้องกับรูปเก <sk r Kal an> ี่ยวข้องกับอาการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติตลอดถึงความเกิดเก็บเก็บของเกิดเจ็บเจ็บตายที่มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่อาการอาการไม่เป็นไรว่าไม่ใช่มันเป็นอาการไม่ใช่ธรรมชาติ ธรรมชาติมันเปลี่ยนมาเป็นชีวิตธรรมชาติเข้าสู่ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาติอากาศแต่ก่อนนี่ธรรมชาติกับอากาศเน่มันไกลเราตานนี้ธรรมชาติกับอากาศมันเป็นของที่ทําได้ แต่ก่อนเคยทุกข์ประความร้อนความหนาวความหิวความเจ็บป่วยพอเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วมันไม่ใช่เป็นทุกข์มันคืินสู่ธรรมชาติมันบอกไ ด, ดได้ความฉลาดได้ความฉลาดจากธรรมชาติได้ความฉลาดจากอาการเป็นปัญญาเจ็บเพื่อเรือป่วยไม่ใช่เป็นเรื่องของ ธรรมะเป็นธรรมชาติเนาการที่เป็นส่วนนอกเราไปนอกจอบ ก, การพัฒนาไปเหมือนทำได้ทำไม่ได้เหมือนเชื่อโลกวางโลกโลกวางอย่างรักษาได้โลกบางอย่างรักษาไม่ได้ <c oughs> เห็นความร้อนความหนาวรักษาไม่ได้มีแต่บรรเทาความหิวรักษาไม่ได้มีแต่บรรเทาสุ่ที่รักษาได้คือภาวะภาวะที่ไม่เป็นไม่เป็นผู้ร้อนอไม่เป็นผู้หนาวไม่เป็นผู้หิวเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันหิวอันนี้รักษาได้ชีวิตของเราก็เลยใช่ได้ แต่ก่อนมีปัญหาอ่ามีปัญหาเพราะร้อนพอหนาวเป็นทุกข์เป็นสุขเอาความร้อนความหนาวอาอการเป็นทุกข์เป็นสุขพอมาเห็นรูปเห็นนามเอาธรรมาชาติเอาการมาเป็นปัญญามันก็ต่างกันเปลี่ยนปัญหามาเป็นปัญญาอย่างนี้แล้วก็ มันก็เป็นกีฬาเป็นเมแชมมันก็ชำนาญจนเป็นด็อกเตอร์หรือว่าเป็นปริญญาได้จากธรรมชาติได้จากอาการานันนเองเดอจึงให้ให้รู้ให้ใหแก้งไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สึกนั่น แ้ไม่แจ้งสิ่งในทำคนทำไมแจ้งมันก็เห็นสิ่งที่มันไม่เคยเห็นก็เคยเกิดการพบเห็นเราจึงมาศึกษาไว้สนุกดี <c oughs> เห็นกลมแจ่ก็สนุก เคพิจิตต์ควเจ็เห็นความเจ็บก็พิจิตตความเจ็บเห็นความตายก็พิจิตตความตายได้เป็นกิ่ลาถ้าไม่เห็นเรื่องนี้แจ่มแจง้งไม่รู้จะเกิดมาทําไมคนเราเนี่ยเกิดมารอวันแก่วันเจ็บวันตายให้ความแก่ความเจ็บวันตายดึงไปยอมรับจํำนวน สิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไมไตายมันมีอยู่มันก็ตรงกันพอดีพอดีจากภาวะที่รูดที่หลงเนี่ยเริ่มต้นจากตัวนี้ไปให้เห็นลองดูสิมันแสดงให้เราเห็นก็อย่าเฉยศึกษาตรงที่มันเกิดมันเป็นขึ้นมาให้มันเห็นถ้ามันเป็นแล้วว่าไม่ได้ศึกษาเลย ถ้าเห็นถือว่าศึกษาแล้วแล้วภาวะที่เป็นมันแสดงอยู่ตลอดเวลาด่างน้อยก็ภาวะที่หลงสองต่อทางหัวจมโกรี่มงกายใจมันแสดงมันจะปิดบังกำแางตรงนี้ทำให้เราไม่ เข้าใจไม่รู้แจ้งการมีสติมันเป็นการศึกษาจริงๆทุกโอกาสไม่ใช่ไม่มานั่งสร้างจังหวะจึงเป็นการศึกษาเดินจงกรมจึงเป็นการศึกษานั่งอยู่ห้องเรียนเรียนสี่เหลี่ยมมีผู้สอนจึงเป็นการศึกษา มีผู้พูดได้ฟอ ง, งไม่พูดทำให้ดูจึงมีการศึกษาถ้าเราศึกษาจริงๆนะมันอยู่กับเราตลอดเวลาเรี่ว่าพระธรรมปฏิบัติได้ให้ผลได้มันแสดงเป็นฉากเป็นพบเป็นภูมิตองตอง อย่าเพิกเฉยเลยละอย่าปฏิเสธใส่ใจลองดูศึกษาลองดูหาโอกาสหาวิธีแล้วก็ปฏิบัติลงไปเมื่อหลงรู้ปฏิบัติธรรมเมื่อบรรทุกรู้ อะไรที่ไม่ใช่ตัวรูปเอามาเปลี่ยนเป็นตัวรูปตรงนั้นตัวรูปนี่ก็ง่ายง่ายกว่าตัวหลงสัมผัสดูสภาพที่รูปสภาวะที่หลงสภาวะอะไรที่มันไม่รูปเอาไปเอาสภาพสภาวะที่รูปไปเกี่ยวข้องอย่าให้มันฟรีไป ความหลงก็ปลีไปความทุกข์ก็ปรีไ ป, ค ว, กก ป, ไปความปูกก็ปลีไปอะไรต่างๆมันเคยไหลมันเคยอ่อนจนมันก็อ อ, กกอนเลื่อยไปเหมือนเขื่อนกันน้ํามันอ่อนตรงไหนน้ําก็ไหลออกตรงนั้นบ้านที่เขาสร้างขึ้นมามันสุดตรงไหนก็ลงตรงนั้นน้ําหนักทั้งหมดมาลงตรงนั้น เคยชีวิตของเราเคยเป็นจิตดิติใสยอย่างไรต้องให้รู้ตัวเองจิตนิสัยอาจจะต่างกันได้มาเพราะสิ่งแปรร่ง่งสิ่งรร่่งจากคนอื่นสิ่งแปรร่่งจากตัวเราเองจึงมหัตนิสัยใหม่อะไรก็ตามดูนิสัยเพราเพราะผู้ดู ขอนิสใสหอังเป็นเตนิสยังยาจามิมาขอนิสใสคือขอให้มีโอกาสได้สร้างภาวะที่รู้ภาวะที่รู้ต้องมีการเริ่มต้นไม่ชิงวมดร่อมโพ่สมควรไม่วาดวาอ า, ามไม่สถานที่ไม่เพื่อนไม่มิตร แม้ไม่มีอะไรก็หัดอยู่สภาพที่จึงเป็นร่องไม่ดีพยายามสร้างสรรตัวเองถ้าอยู่กับหมูไม่ได้ก็อยู่คนเดียวหมูไม่มีเลยมีแต่พนพานลองสร้างบัณฑิตให้เกิดขึ้นในชีวิตเราคนเดียวคนพาพูดผิดทำผิดชิดผิด เราก็พยายามกับมายัเดเยียดเล่าใส่ปากก็พยายามที่จะไม่เกินเล่าเคยผ่านมาอย่างนี้เหมือนกันสมัยเป็นหนุ่มขอให้ว่าไอ้หน้าตัวเมียก็ยอมเราจะพยายามเป็นบัติดก็ผ่านแล้วก็พ้มใจถ้าทุกวันนี้ อะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษนะมันภูมิใจที่เราไม่เป็นมันภูมิใจตรงที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนความยากความลำบากกลากล้ำด้วยมันก็ผูมใจแม้เราเป็นคนยากจนทุกข์ยากลําบากหลังสูซฟาหน้าโซดินมันก็ผูมิใจถ้าเรามา ต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นตตอสู้ความยากลำบากจนไม่ความยากลำบากเอาชนะเราไม่ได้ไม่มีสิ่งใดทั้งไม่เกิดขึ้นมันก็ทำได้ถ้าที่เป็นสิ่งวัตถูกสิ่งที่เป็นดาบบังธรรมพึงมา ศึกษาเมื่ออายุสามสิบปีแล้วก็ยิ่งทุบถวนใหญ่โอ้โหธรรมชาติก็ช่วยเราอยู่เนาะธรรมชาติก็ช่วยเราอยู่ขอบคุณความยากลำบากขอบคุณความทุกข์ความจนแทนที่เราจะไปน้อยเนื้อทำใจขอบคุณขอบพระสัิญ สันนิษฐานินทาของคน <c oughs> ความเนินทาของโกนก็ออกมาสร้างสรรค์ความเสริญของคนก็มาสร้าง ส, ามมางาสรรค์ไม่ใช่หลงนในความสฉืเสื่อในความเนินทามีคนมาด่าต่อหน้าต่อ ต, ตดา่ดาด่าแม่แต่มาด่าเรา ลูกของมึงเนี่ยมันไม่เป็นผู้เป็นคนหรอกกูดูแล้วกลับไปบ้านเก่ายังมาอยู่นี่พี่น้องบ้านเก่าให้มาเอาให้กูมาเอากลับบ้านเก่านาก็มีที่เก่าบ้านก็หลังเก่าลูกมึงไม่เป็นผู้เป็นคนเอ้ยเจินเจ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ใช่ใครเป็นพี่น้องกันแล้วก็โกรธที่ได้ก็โกรธเอาความปีกหินเลนทาาของมาสร้างสรรตัวเองได้สำเร็จแล้วเอาพ่อใหญ่เนี่ยบ้านพ่อใหญ่หลังใหญ่ขนาดไหนเล่าใส่เข้าพ่อใหญ่หลังใหขนาดใต่พ่อใหญ่ได้เข้ามากเท่าไหร่ มันก็ชิดแบบนี้นะแทนที่จะอออ่อนแดเป็นลยไม่ใช่เปรียบเทียบเลยเดินผ่านบ้านพ่อใหญ่ที่ใดแล้มึงอะแค่นี้เองตอ <laughs> นาานี้นะบ้างบ้านเราหลังใหญ่กว่าจริงๆยุ่งใส่เข้าว้หลังใหญ่กว่ า, า, ล, วาลูกชายของพ่อใหญ่เป็นรุ่นลาเขาเดียวกันเป็นเพื่อนกันคิดแข่งขันกันเดียว เอาละเขาเป็นลูกคนรวยกูเป็นลูกคนจนกูจะไม่หลงเมืเเอ่อกี้เราไม่เคยเอาเหล้ายัดใส่ปากเราไม่กินแล้าาวจะสู้ไหมแต่กับลูกของพ่อใหญ่นั่นแต่แข่งลูกชายพ่อใหญ่นั่นอีกเขาจะเจองานไหนเล่นสาวเขาชอบลูกคนมีเขาไม่ชอบลูกคนจนสู้เขาเปไปได้กูจะพยายามทำมันก็ดีนไงฮะ ทำไมไปอ่อนแอทําไมบางคนเสียใจคนติขินเอ็นธาโอ้ยมันน่าผูกใจเอา้าความทุกข์ที่มันเป็นทุกข์มาเป็นปัญญามาเป็นการสร้างสารรค์ในตัวนอกตัวในตัวเรา ม, มีบทเดียนตลอดเวลาเลยเคยเจ็บมันแล้วมันดีแล้วมีปัญหาความทุกข์ความลาบาก พัดภาคจากของรลกของชอบใจนั้นดีที่สุดเลยแม่ไม่มีก็ต้องเห็นแน่นอนความแข็งความเจ็บความตายพัดภาคจากของรลกของชอบใจมีอยู่กับทุกคนเจ้าให้วันใดมันเป็นการชนะต้องเชนเ่อตีวนี้เห็นแจ้งเห็นรูปเห็นนามเนะี่ย เห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเนี่ยเห็นรูปทุกเห็นนามทุกนี่เห็นรูปโลกดําโลกนี่มันก็ตั้งจากตรงนี้ไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนของรูปของนามต่อหน้าเลยพอเห็นรูปเห็นนามเห็นเรื่องนี้ชัดเจนเลยทีเดียวเห็นเตยหลอกนะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวนมีอยู่ในรูปธรรมนามธรรม ไฟปฏิโลมไฟอนุโลมปฏิโลมอนุโลมคื อ, องไงเพราะมีเพราะไม่รมมู้ภาษาปฏาิจจสมุปบาทเพราะอวิชชาคอยเกิดสังขารสังขารเกิด น, นามรูปนามรูปไม่ใช่รูปนานะฟังให้ดีเอาว่านามรูปเนี่ยนามรูปมันเกิดจากอายตนะ รูปนามน้ำเกิดอันอันรูปนํามเกิดจากเหตุปัจจัยจากพ่อจากแม่อันนามรูปเกิดจากอาญาตนะเป็นพระเป็นชาติเนี่ยเกิดพระ ก, กับชาติต่างๆเพราะตาเพราะหูจมูกเรื่กายใจเพราะนามรูปเกิดอากญาตนะอาณาญานะเกิดพัทธะพัทธะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตนณหาวัฏ เป็นอุปทานอุปทานเกิดภพเกิดชาติเจลามรณะโสกะปะเทวทุกต่ยไปเลยหลุมฟองศกอันนี้นามรูปตายตายดับตายดับตายดับเกิดดับเกิดดับส่วนอีกไฟหนึ่งทวนกลับมาเพราะมีวิชาสังขารดับนามรูปดับอายจตนาดับผัดจัดับไปทนาดับตันหาดับบุทานดับพบชาติเจลามรณะดับมันก็กลับมาอย่างไร เพราะอะไรล่ะมันคงบัเนิดในบทสวดเราสวดอ่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นพระธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจสมบาทผู้ใดเห็นปฏิจสมบาทผู้นั้นเห็นธรรมนั่นเห็นรูปเห็นนามเห็นการเกิดดับอาการเกิดดับของรูปของนาม มันทําให้เราเห็นอยู่เราต้องไมจะดับมันไปได้ถ้าเกิดทุกเห็นมันดับแล้วมันโกเห็นมันดับไปแล้วมันเกิดเพื่อให้ดับมันเกิดเพื่อไม่เกิดถ้ามันเกิดไม่เพื่อให้เกิดเราไม่มีการเกิดดับไม่มีที่สุดเราก็ปล่อยเดีเกิดเจ็บเจบตายเห็นว่าแต่เกิดอยู่ในแต่ละไปแต่เบื่อไปเกิดดับเกิดดับตาย เกิดเจ็เจ็บตายเกิดเจ็บเจบตายก็ว่าเกิดเจ็เจ็บตายไม่ได้เกิดแตน่นั่งอยู่นี่มันเกิดจากการที่ไม่รู้อวิชชาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นลกเป็นจังดีใจเฉยใจอะไรต่างๆเกิดดับกเกิดดับเกิดทุกข์เราเป็นทุกข์ลมปอยข้ออากาลังกไปฉันโตถูกเขาชาติปุ่นอปุนัน่งแต่ก่อนนี้เราไม่รู้ แค่เล่นท้องเที่ยวไปในสงสา ร, รเป็นอเอกาชาติแบบนี้เรารู้แล้วคงลวนทั้งบทของเจ้าเรารู้แล้วโยดเอนเราหักเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งเสื่ภาพปะไรยปุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเราจีรเนเมื่อไรเราจะมาเห็นตรงนี้จบตรงนี้เพราะนี่แหละมีสติไม่ความรู้สึกไม่ความเลิกได้เนี่ยรู้สึกตัวอยู่เสมอนย่ย เห็นไหมมันคิดเห็นไหมเกี่ยวกับความคิดยังไงมันเกิดเวทนาอย่างไรกายสัววากวายไหมเวทนาสัม ว, ว่าเวทนาไหมกิดสัม ว, ว่ากิดไหมทำสัม ว, ว่าทำไหมแยกตัวนี้แยกทางตัวนี้ถ้ากายเป็นตนกูร้อนกูหนาวกูหิวกูปวดจำไม่ไปเลยยังอยู่กับเขา เวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์อา้าเราเวทนาเป็นของเรากูร้อนกูหนาวกูปวดกูมื่ยกูหิวกูผิดกูถูกอา้าวเวทนาอา้าวคิดอา้าวคิดอะไรเป็นเราทั้งหมด่อยหิดแล้คิดสร้างดีใจเสียใจคมร้ายคมดีฮิกกันมาแล้วน้ำตาล่วงน้ำตาไหลนอนไม่หลับกินไม่ได้อา้าวไปกับเข า, าเราทอมอ้อมคมร้ายคมดี ผัวผแผลแผลบางทีก็สงบบางทีก็ผงเสดบางทีก็เงาหานอนบางทีก็ชื่นบานเอาไปเป็นอย่างนั้นครับเวละไม่เห็นตัดเข้าไปเลยรู้สึกกลับมามีสติเคลื่อนไหวมือกลับมากลับบ้ามันไปที่ใดกลับบ้าปฏิบัติคือกลับมากลับมากลับมากลับมากลับมาปฏิบัติอันไปมันยากลนะอันกลับมาง่ายๆ มันก็อยู่กับเราเป็นธรรมชาตอย่างนี้นี่วิธีปฏิบัติไม่ต้องไปมีคำถามอะไรมากมายไม่ต้องไปเจียวข้องกับเหตุปัจจัยไม่ใช่ไปเจียวข้องกับวิชาความรู้สมองอร่อยทุกคนเป็นอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายเป็นอย่างนี้คนหนุ่มคนสาวเป็นไม่ใช่ใดภาษาใดอันเดียวกัน ความโกรธก้อนเดียวนี่แหละความหลงก้อนเดียวแต่หลังต่างต่างวาระกันบางคนโกรธเพราะเรื่องหนึ่งบางทีโกรธเพราะเรื่องหนึ่งบางทีคนทุกข์เพราะเรื่องหนึ่งบางทีคนทุกข์เพราะเรื่องหนึ่งบางทีความทุกข์ควาโกรธควาสุขแล้วความจังของคนต่างกันแล้วแต่สมมุติบัญญทธิเหตปัจจัยที่เขาบัญญัติเอาความชอบผวามไม่ชอบบัญญัติเอาความพอใจไม่พอใจบัญญัติเอา แต่ถ้าเห็นว่าสักแต่ว่ า, าลองดูสิกายสักว่ากายไม่ใช่จัดุปุกคน ต, โ ต, โตโัวตนเราเขาเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคล ต, โตโลัวตนเลาเขาจิตก็สักว่าจิตไม่ใช่จัดุปุกคลตัวตนเราเขาทำเบอสักว่าทำไม่ใช่จัดุปุกคนตัวตนเราเขาใคกุญเชียจะโซลุดไปแล้วห <c oughs> ลุดไปแล้ว ไม่ถูกจองจาถ้าผ่านตอนนี้มก็ไปได้เละเหมือนจราจรติดขัดเมื่อขึ้นทางด่วนแล้วก็วิ่งจิ้วใช่ไหมโอเคหน่อแต่อเป็นหมูเผากับรถจากหลงผาหวานจุฬายามมาขึ้นทางด่วนก็จอดแล้วจอดอกติดหน้าติดหลังบางทีรถเบียดกันสองนิ้วสามนิ้วก็มี ค่อยเลื่อนไปใครก็อยากไปใครก็อยากไปเอาขึ้นดังด่วนแล้วไม่ต้องแย่งกันนะอปเลยไปเลยเห็นอะไรก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเงินพระัญญากชนะอัญญสิวัตถโพตันโยรู้แล้วรู้แล้วผมไปเที่ยงความกันทุกรู้แล้วผวามมาเช่อตัวตนรู้แล้วอะไรระเบนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรละ จิตของเราถึงแล้วซึ่งภาพพี่ไหลปงแตกมาได้อีกต่อไปซ้ำลงไปอีกมันชิ่นไปแห่งตานานะเอาซ้ำลงไปอีกคือถึงภายในขาดคาถาคาถาเพียงแต่ว่าจิตของเราถึงแล้วซึ่งภาพเล่ปงแตกมาได้อีกต่อไปนี่คาถาอัตค า, าถาต่อไปอีกคืออ้า คืออะไรก็จิตของเราถึงเราสจอภาพอีเลยปงแตงไม่ได้อีกต่อไปคือคาถาเลยว่าท่อนี้อัตตะกาถาวันชินปแป่งตัณหาอัตตะดีกาดีก็กเปคือถึงเปนพิาะแก้งไหมแฉ้งกเกูไหมนี่ถ้คาถาหรือว่า จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่ไหลปงแต่งไม่ได้อีกต่อไปคาถาอัตตาถ า, า, ามันชินไปแห่งตนานาดีก็คือถึงพาในผ่านให้มันซ้ำลงไปโสมนำหน้ามันกามทุกข์ใช่ไหมเนี่ยเอามันเลยอันนี้ไปหลงอะไรอยู่ฮะมุดอยู่ตรงนี้แท้ๆการศเสาธรรม ผูธเจ้าเกิดตรงนี้ตัดจะรู้ตรงนี้พระพูธเจ้าตัดจรู้ที่ใดบางทีเราไปตอบบ้า ท, ที่พุทธคยามหาโพธิ์ท่าปายสานักธรรมญเด็กเไม่ตอบนะตัดจะรู้ที่เนี่ยพระสูตรเนี่ยตอนไห น, นตอนที่วัน อะไรไม่ชอบเจียนไม่อยากโกรธถ้าจํเออมันว่ามันจำอะกันจามันหลงหรือถ้าว่าตัวปฏิบัติอยู่ตรงนี้อยู่ในชีวิตของเราที่เป่ารู้เราหลงนี้มันหลงรู้ผ่านหลงแล้แล้วมันโกรธรู้ผ่านโกรธแล้วมันทุกข์รู้มันรักมันชังรู้มันสุขมันทุกข์รู้อที่มันเกิด เป็นนะ่ะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วอย่างนี้นะให้ทาหน้าที่เป็นผู้เห็นเดี๋ยวปฏิบัติทมถ้าทำหน้าที่เป็นผู้เป็นยังไม่ได้ปฏิบัติทำเลยสิ ป, ปียีสิบ ป, ปีก็ช่างแต่ช่างเป็นโด่ก็เห็นแล้วเออน้อยด้อยก็ไปก่อนก่อตัวค้นให้เข้าข้างความเห็นเข้าทางเสียก่อน ถ้าเป็นนำออกทางไปแล้วถ้าเห็นแล้วก็เข้าทางทื่ว่ามีทางแล้วมรรคมรรคคือเห็นอ่าเป็นคือไม่มีทางถ้ามรรคมีทางเกิดกันแล้วมรรคคือเห็นดูก็เลยพูดแบบแบบไม่รู้จะพูดไงเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นพุนผู้ดูอย่าเป็นผู้ดูเอ้าวนวัวถามว่าเป็นเมื่ยังมีตัวในตนเถอะนะ อย่าเป็นผู้เป็นเอาเป็นผู้เห็นเลยเออมันเป็นตัวเป็นตนนียเราไม่รู้อย่พูดยังไงปิดปากเสียเลยเด็ววกกว่าไม่ต้องพูดม <c oughs> ีเดียวเขาสมมติมาตีความอะไรเอาแย่งกันอยู่อันดีก็สติไม่ต้องสัง่งมันมีอยู่แล้วเอ้ตอนนั้นผู้เจ้าใครเกิดมาเป็นผู้เจ้าเลยจึงมีทางขึ้นมาแล้วก็ เขาก็พวกว่าลูกศิษย์หลงพ่อเทียนทุกวันไงพูดไม่เหมือนหลงพ่อเทียนแล้วไอ้จับผิดจับถูกทําไมอันไหนที่ไม่ถูกก็โอ้อย่าไปเอาเลือกเอาอางคนใครพูดก็อนี่ลูกศิษย์หลงพ่อเทียนนะอที่สอนช่างจังหวะก็เอาไงละเพี้ยนไปแล้วหลายอย่างอืม เออเ้ด <g ivers i> ีแบบนี้ดีมันไม่ง่วงเอาไปอดีอันความไม่ง่วงไม่ใช่อดีเพื่อรู้จึกตัวที่เราสร้างจังหวะเคลื่อนไหวเดินอยงเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวนั่งมาอยู่เฉยเก็รู้ได้ใช่ไหมเด็กนี่เหมือก็รู้ได้หัวให่ก็รู้ได้ไม่ใช่แบบนี้เออดีดีเอี่ไม่ง่วงเอหลำพ่อก็หนึ่งนี่ลำพ่อทําไงอะ อา้ทีหงตาเดินจงกรมบางทีไปวันหนึ่งไปเทศที่โรงพยาบาลอ่าวย่ำคำถามท่านเจอว่าวไบไมันมีสติได้ยงไงเด่ยจงกรมว้ไปไปมีสติได้ยงไงถามหลวงตาเลยตอบเลยอ๋ออันใบก็รู้ได้ชาก็รู้ได้หลวงตาเดินจงกลมทุกวันเน่น่ะ เวลานี้แต่งกรมอะไรหลายอย่างได้ประโยชน์หนึ่งก็โยคะพัฒนาตัวเองนาทีละร้อยเก้านใช่ไหมนาทีหนึ่งให้มันได้ร้อยเก้านอน <laughs> ไม่ใช่เฉยจะแช่ ย, ย่างเนาะไม่ใช่อย่าอยู่นั่นอนุบาลอยู่เช่นนั่นหรืออั <c> ้ <oughs> นั้นไปสอนทำที่มาเลเซียไม่ใช่ไปสอนเขาหรอกเรา ปฏิบัติธรรมสอนเขาหมดคอเขาพาไปเที่ยวดูสํานักปฏิบัติธรรมมีพมา่าวัดในมาเลเซียมีวัดที่อยู่ของพระหลังหนึ่งที่อยู่ของโยมหลังหนึ่งผู้หญิงที่อยู่ของโยมผู้ชายหลังหนึ่ง mm. เขามีที่ไม่มากเหมือนเา่าเอาหลังเดียวของผู้หญิงหลังหนึ่งวะขอผู้ชายหลังหนึ่งของขหลังหนึ่งพาขึ้นไปกราบอาจารย์ นยโย่าไปเขาก็ปิดห้องอยู่สองตางก็ไปนั่งอยู่หน้าโองอันนี้ห้องของพระเขาก็เรียกออกมาจากประตูแล้วก็นั่งรอากราบเดินมาเปิดประตูหัวประตูจะเปิดออกค่อยเย็บ <laughs> ประตูเปิดค่อยๆ ย, ย่องนะ ย่องมาถอ้หลวงตานั่งอยู่เกืบ20นาทีกว่าจะมาถึงให้หลงตาก่าย่องมาง <laughs> ก็มานั่งห ล, ลับๆตาบีแก่หลวงกโอ้เจ้าทำมาอย่างไรเจ้าไวหรือถ้าปฏิบัติทั้งเหมือนจะไหวหรือต้องวิ่งเอาที่เวลาเดินผ่านถนนต้องวิง่งอย่าไปเดินย่องไม่นด้รถชน <laughs> อันนี้ใส่เราควมรู้สึกตัวอยู่ในวาระแบบไหนหัดต้องดูทีอย่าไปเอารูปแบบจนเกินไปนอกรูปแบบก็ได้ความหลงมันไม่เยินรูปแบบนะความรู้ก็ไม่ไม่อยู่ในรูปแบบมันอยู่กับภาวะที่ผู้รู้เองจะดีเลยเนาะใจเยินบอไอ่เขียนน้อยเอาสมควรเจริญละ Thank <laughs> you.